พุทธังสารนาังคัจฉามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนาังกัจฉามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สางทางสารนังคาชามีข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธทางสารนังคาชามีแมวาราทิสองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ะระลึก สุติยมิธธรรมังสระนังกาจามิแม่วาราติสรงข้าพระเจ้ า, าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสุติยมิธสังกังสระังกาจามิแม่วารา ที่สองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสาธิยามปิพุตตังสาระนังกาเจามิแม้ว่าที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสาธิยังปิทัมมังสาระนังคาเจามิ แม่วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตาที่ยังปิดซังกลางสะระนังตาจะมิแมวาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก